พวกเราได้ถือว่าได้ลงเรือลำเดียวกันหมายความว่าเราได้มีศรัทธายินดีปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระเจ้าเหมือนกันหมดเลยเมื่อเป็นเช่นนี้นะก็ให้พากันตั้งใจปฏิบัติไป ให้เต็มความสามารถของตนธรรมดาคนเรานี่ถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้าแล้วพอจะเป็นคนดีไม่ได้เลยแม้แต่ดีอย่างโลกโลกอย่างธรรมดานี้ก็ดีไม่ได้เลยนนคนเลวต่างๆคนชั่วต่างๆนันน ร่วนแต่ไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอทั้งนั้นแหละเช<ม>่นอย่างความเป็นนักเลงเจ้าชู้อย่างนี้นะ<ม>เป็นผู้มากมากในกามก็ <c oughs> อ, องค์เจ้าก็ว่าเป็นหนทางความจิตผาย น, น, นั้นผู้ใดแสดงทนเป็นคนเจ้าชู้มันก็ไม่มีทางจเจริญรุ่งเรืองได้เลยในชีวิต บางคนก็บำเพ็ญตนเป็นนักเลงสุราชอบดื่มของมึนเมาให้โทษติดงอมแงมไม่ได้ดื่มก็อยู่ไม่ได้ต่ลเลยกลายเป็นคนชั่วเป็นคนไม่มีสติปัญญาอะไรเลยแับนี้สมกับที่โทษของการดื่มสุราข้อสุดท้ายนั้นถอนกำลังปัญญาพันว่า มันถูกต้องเลยคนเมา จ, จัดๆนี่ไม่มีปัญญาอะไรเลย <c oughs> เส้นประสาทของหัวใจหมดแน้วนะทำให้เสื่อมคุณภาพไปเลยผู้ใดบมเพ็ญจนเป็นนักเลงเล่นการพนันก็ทำตัวให้เป็นคนชั่วคนเลวไป ตั้งตัวให้เป็นคนดีไม่ได้เลยนี่หมายถึงว่าผู้ที่กลับจิตไม่ได้เลยนั่นนะเพราใจจะในการเล่นการพ น, นันคันต่ออย่างนี้เมื่อเล่นไปแล้วมันเสียเงินก็เสียใจต้องขอนขวายหาเงินมาได้สักก้อนหนึ่งแล้วเอาไปเล่นอีกหวังว่าจะ ชักทุนคืนมาให้มันได้เอาไปมากลล้มลงไปไม่มีทางจะง อ, อกเงยได้เลยนี่ไอ้สังเกตดูคนที่ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพุรธเจ้านะนมีแต่เป็นคนเลวทางนั้นเลย <c oughs> ดังนั้นเราต้องรู้จักสังเกตให้ดีท่านผู้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระเจ้านะจะเป็นคารือหัดก็ดีเป็นนักบวดก็ดีก็เป็นคนดีนี้เป็นคารือหัดก็ตั้งเนื้อตั้งตัวได้ดีตั้งตัวให้เป็นหลักเป็นแหล่งให้ตลูกหลาน ได้พึ่งพาอาศัยนั้นแล้วก็ได้ทนุบำรุงวัดวาศาสานาด้วยคนที่บำรุงวัดวาศาสานาอยู่ทุกวันนี้กระลุ้นจะเป็นคนมีหลักฐานทางนั้นแหละมีอาทีพเป็นหลักแหล่งมีรายได้ไม่ผพื่อเคืองก็จึงได้เกียรติมาบำรุงวัดวาศาสานา ให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปได้นี่คนเหล่านั้นไม่ชอบบำเพชบํนบเพ็ญตนเป็นเจ้าชู้ไม่ชอบดื่มสุรานี่ไม่ชอบเล่นการพ น, นันไม่ชอบคบคนชั่วเป็นมิตรมีแต่คบนักปลาปนฑิตเป็นเพื่อนเป็นครูเป็นอาจารย์ ดังนั้นคนเรามันจึงได้มีโอกาสได้สร้างบุญบา ร, รมีให้แก่กล้าขึ้นในตนถ้าไปล่วงเกินคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างว่านั้นมันก็ไม่มีโอกาสที่จะได้สร้างบุญบา ร, รมีเลยชีวิตเกิดมาทั้งชาติก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเนี่ที่ท่านเรียกว่ามันเป็นหมันนะชีวิตอย่าไปทำ ชีวิตให้เป็นหมันนะเงื่อหมายความอย่างว่ามานี่นะเป็นหมันคือหมายความว่าไม่มีโอกาสที่จะได้ทําบุญกุศลคุณงามความดีให้แก่ตนของตนนี่นะมีจะไปทําความชั่วงเนี้ยมันก็ทําตัวให้เป็นหมันนะเพราะไม่มีผลดีอะไรต่อตนเองทั้งในปัจจุบันและในเบื้องหน้าต่อไปไม่มีหวัง ที่จะได้รับความสุขอะไรเลยเพราะว่าไม่ได้ทำความดีอะไรไว้หนึ่งนั้นผู้ที่มีศรัทธาแรงกล้าได้เอาตัวเข้ามาบวชเป็นชีเป็นขาวบ้างเป็นพระภิกษุสามเณรบ้างโมนอนี่นะควรจะรู้ตัวว่าเรามีศรัทธาแรงกล้าพอสมควรทีเดียวถึงได้มาบวช เมื่อมบวชมาแล้เลนี้ก็ต้องตั้งใจทำความเพียรพยายามละกิเลสออกจากกิจใจให้มันได้ให้สมกับว่าเรามีศรัทธาแรงกล้าให้สมกับว่าเราเห็นโทษภายในการครองเรือนมันยุ่งเหยงิงมันลำบากมาก <c oughs> เท่าไรก็ไม่เต็มไม่พอสักที ทำการงานไปหาไปจนเท่าจนแก่จนทําไม่ได้มันก็ยังไม่พอเลยไม่พออะไรไม่พอแก่ความอยากในจิตใจเมื่อมีเมื่หนึ่งแล้วก็อยากมีแสนทัานมีแสนแล้วก็อยากมีล้านขึ้นไปอย่างนี้นะนี่แหละจึงเรียกว่า ทำการทำงานไปจนเฒ่าจนแก่ก็ยังไม่อิ่มในสิ่งที่ต้องการปารถนาเลยผู้มีปัญญาบารมีเข้าไปนะ้ะมาพิจารณาเห็นว่าความอยากไม่มีสถานีไม่มีขอบเขตถ้าไม่สกัดกั้นมันเสียแล้วมันก็จะท่วมท้นจิตใจนี่ ให้ใจนี่มันล่องลอยไปตามกระแสของตัณหาอันนั้นแหละไม่มีที่สิ้นสุดเลยมันจูงไปทำบาปก็ไปกับมันอันนี้มันจูงให้ไปทำอะไรต้องไปตามอำนาจของความอยากของตัณหานั้ น, นบางทีมันก็จูงให้ไปทำความดีไปก็ทำดีไป อันนี้หละเพราะฉะนั้นจึงอยากตักเตือนพุทธโฆสัต ท, ทั้งหลายโดย ว, ว่าเมื่อเรามีบุญรู้ว่าเรามีบุญกุศลติดตามมาเรามีบุญเป็นทุนเป็นรอนอย่างนี้แล้วนะก็ขอให้ทำความดีนั่นส่วนเดียวอย่าไปทำความชั่วก็แล้วกันเพราะเหตุว่าชีวิตที่มันรุ่มรุ่ ม, มดอนๆอนมาในสงสารนี่แต่แชาติก่อนน้นมันก็ทาทั้งดีทาทั้งชั่ว ควบคู่กันมาผลมันก็ได้รับทั้งสองอย่างอย่างนั้นนะมาในชาตินี้นะบางคราวก็เป็นสุขบางคราวก็เป็นทุกข์ไปเช่นนี้แล้วจะคิดว่ายังไงบ้านี่คิดว่าพอแล้วหรือชีวิตที่เป็นอยู่อย่างนั้นนะเออถ้าพูดใดว่าพอแล้วก็แล้วไป ถ้าสำหรับผู้มีปัญญาแล้วเพื่อนจะไม่พอใจเท่านั้นเลยผู้มีปัญญาแล้วต้องการให้มีความสุขสม่ำเสมอไปไม่อยากให้มันมีทุกข์อันเกิดจากวิบากกรรมต่างๆตามมาสนองเอาให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนะนี่ผู้มีปัญญาทั้งหลายเพื่อนไม่ต้องการอย่างนั้นเลย เหตุอยงนั้นจึงได้เพียรพยายามล่า ก, กรรมมันชั่วออกจากกายวาจาใจเรื่อยไปเพื่อไม่ให้มีบาปเข้ามาแทรกแซง <c oughs> แต่คนขาดปัญญาแล้วนี่สิมันลาบากมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นทางที่จะละา บ, บาปล่ ก, กรรมชั่วเหล่านั้นมองไปไหนก็ไ่ได้ทางตันหมดเลยคนขาดปัญญาเป็นอย่างนั้น ดังนั้นคนเรามันทึ้งยอมยอมรับเอาบาปนั้นไปอบาปก็จำเป็นทำยังไงได้มันหลีกเลี่ยงไม่พน้นก็หลงนั้นแหละคนส่วนมากนะคนผู้ขาดปัญญาเนะ่ยถ้าผู้มีปัญญาแล้วท่านจะไม่ยอมอย่างนั้นเลยเอา้าวเราต้องพยายามละมันให้ได้บาปนี่นะอย่างงี้วันนี้ยังละไม่ได้วันหน้าต้องละให้ได้ มันตั้งกติกากับตัวเองไปเรื่อยอย่างนี้เพียนพยายามละมันอยู่นั่นแหะมันไปมามันก็เลยไม่เหลียววิสัยนะมันก็ละได้มันเป็นอย่างนั้นมันก็อยู่ที่ความเพียนนั่นเองแม้กิเลสอย่างอื่นก็เหมือนกันนะมันอยู่ที่ความเพียนความพยายามถ้าหากว่าบุคคลขาดความเพียนแล้ว ไม่มีทางหรอกที่มันจะลากกิเลสตันหาได้นะแ <c> ม <oughs> ้ว่าจะไปแสวงหาอยู่ที่สงบสงัดอย่างไรก็ตามนะมันสงบแต่ภายนอกสิบะนี้แต่ภายในจิตใจไม่สงบอย่างนี้นะีมันก็ไม่ได้ผลอะไรเลยเมื่อไปอาศัยอยู่ในที่สงบสงัด แล้วอย่างนี้มันต้องต้องทำจิตให้สงบไปตามธรรมชาติด้วยนั่นมันถึงได้ผลนะ่ะ <c oughs> นี่แหละจิตใจนี่ถ้าหากว่าเราไม่ภาคเพียนพยายามสำรวมระวังไม่พยายามรักษาจิตให้ชื่นชมยินดีอยู่กระบุญกับคุณแล้วนะมันไปไม่รอดจริงๆนะ มันย่อหมุนไปหาทางแห่งความทุกข์นั่นแหละถ้าขาดความเพียรสกัดกั้นจิตใจนี่แล้วนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามยอย่าไปท้อไปถอยกันต้องรู้ว่าเรามีกิเลสอะไรอยู่ในใจไม่มีใครรู้ให้ตนได้นอกจากตัวของตัวเท่านั้นเนี่ยรู้ ตัวอตัวเองได้รู้ว่าตนมีกิเลสน้อยมากเพียงใดอยู่ในหัวใจนี่ก็รู้ท้งนั้นแหละรู้ตัวเองได้เลยมันเป็นงั้นจะไปให้คนอื่นรู้ให้นะไม่ได้นะไม่ได้ต้องตอนเองแหละรู้ตัวเองเมื่อรู้ว่าตนนั้นยังมีกิเลสอย่างนี้อยู่กิเลสอย่างนี้ยังมารบกวนจิตใจอยู่อย่างนี้นะ ก็อย่าไปปล่อยให้มันรบกวนจิตอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปสิผีแย่เพ่งพินิษพิจรารณาละมันไปถอนมันไปเรื่อยๆหาอุบายสอนจิตเข้าไปสอนจิตให้มันเห็นโทษให้มันเบื่อหน่ายต่อกิเลสต่างๆที่มันเกิดขึ้นในจิตใจนั้นถ้ามันไม่เบื่อแล้วมันไม่ละเนี่ยใจนี่นะ มันไม่ลอกกิเลสนะมันชอบใจมันแล้วไม่เบื่อมันมันก็สะสมให้มา ก, มากขึ้นไปเรื่อยๆมันเป็นงนั้นฉะนั้นผู้ที่จะละ ก, กิเลสได้มันต้องเห็นโทษของกิเลสต้องเบือ่อต้องเบือ่อจิตใจที่อยู่ด้วยกิเลสตัณหานั้นมันมีแต่ภัยอันตรายทั้งนั้นเลย มันไม่ได้เป็นคุณเป็นประโยชน์อะไรอะ่ะไปบังคับให้คนไปทำการทำงานหลังสู้ขว้าน้าสู้ดินแดดเผาร่างกายจนเหี่ยมเกรียมไปก็มีทำกา ร, การงานอยู่กลางแดดอย่านี้หรือว่าไปถากไม้เลื่อยไม้อะไรอ่งนี้มันล้วนตั้งแต่ การงานที่เป็นภาระอันหนักทำให้คนเรานั้นได้รับความกระทบ ก, กระเทือนทางจิตใจมากแต่ถึงอย่างไรก็ตามผู้ไม่รู้แล้วผู้ไม่รู้จากทางออกจากทุกข์แล้วแม้จะได้รับทุกอย่างไรอย่างไรมันก็ยอมรับเอายอมให้เป็นทุกข์ไปอย่างนั้นนหะเพราะมันชอบใจชีวิตความเป็นอยู่อย่างนั้น อย่างนี้แหละดังนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสไว้ในติลคณาสูตรนะ้นะสับเบซั่ง้าราอนิจจติยะดาปัญญา ย, ยปัจสติอัทนิ บ, บินติโดเคเอสามโกวิสุทธิยาเป็นต้นซึ่งแปลเป็นใจความว่า ผู้มีปัญญาทั้งหลายมาพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นของไม่เทีย่ยงโย่บ่อยแล้วอย่างนี้มันก็ย่อมเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาเมื่อเบื่อหน่ายมันก็คลายความกำหนัดจินดีจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะทิเลตเป็นอันได้บรรลุธรรมวิเศษคือพระนิพพานได้ก็เพราะ ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นสังขารนามรูปนี่เป็นของไม่เที่ยงไม่อย่งยืนมีความแปรปวนแตกดับเป็นธรรมดาจนว่าจิตเห็นตามปัญญาแล้วมันก็เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในของที่ไม่เที่ยงนั่นเละถ้าหากว่ามันเที่ยงแล้วมันก็ไม่มีปัญหายุ่งยากอะไรเลยแต่นี่มันไม่เที่ยงอะไรอะไรมีความเกิดขึ้นมาแล้ว สิ่งนั้นก็แปรปวนแจกดับไปไม่มีเหลือต่างได้ชาติไเรียวปวกกันเท่านั้นเองเมืม่อเพ่งพิจารณาโดยอย่างนี้แล้วมันก็เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาแล้วเบื่อหน่ายลามปรามไปถึงราคะตัณหานุ้นความรักความไข่ันม น, นี้นะมันเป็นเหยื่อร้อให้ติดอยู่ในทุกข์ ไม่ใช่เป็นของดีพิเศษอะไรอย่างดังนั้นนะเมื่อไครบรรเทากิเลส น, นี้ลงได้แล้วต้องพยายามรักษาจิตตัวเองไว้ให้มันได้อย่าให้มันห้วนกลับไปหากิเลสของเก่าอ่มันต้องรักษาไว้ให้ดีเมื่อรักษาสมาธิจิตได้เช่นนี้นะ จิตก็ไม่เสื่อมจากบุญจากคุณเลยกี่เลส ก, ก็แทรกแซงมาไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นผู้ที่ย่อหย่อนในทางปฏิบัติก็เพราะเหตุว่าไม่ไม่เห็นแจ้งในแนวทางปฏิบัตินั้ น, น, นว่ามันจะเป็นทางพ้นทุกข์ได้ไม่คิดไม่เห็นหมายเราว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นจึงไม่ยอมปฏิบัติตามคำสอนของเสดเจ้า <c oughs> ผู้ใดปฏิบัติตามนะี่ยมันก็เห็นผลขึ้นมาด้วยตนเองอย่างท่านทั้งหลายผู้ที่ปฏิบัติมานมนานหมนู่นั้นท่านก่อนมีความมั่นใจในการประพฤติพรหมจรรย์ของตนพราท่านมั่นใจนั่นแหละท่านยิงอยู่ในพรหมจรรย์ น, นั้นไปจนตลอดชีวิตทีวาอนญญาตโยมวางหมู่นะแม้อยู่ไกล ขามน้ำข้ามทะเลก็ยังไปเพราะด้วยความเชื่อความเลื่อมใสนั่นเองเป็นอย่างนี้เมื่อความเชื่อความเลื่อมใสเกิดขึ้นมีขึ้นแล้วใจก็เบิกปานผ่องใสใจก็ไม่มัวหมองแล้วก็ไม่กลุ้ม อ, อกกลุ้มใจเรื่องอะไรทั้งหมด ใจนี้รู้สึกสม่มเสมอไปมองดูอะไรก็เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปอยู่อย่างนั้นไม่ได้มองติดอยู่เพียงแค่สมมุติบรรยัติเท่านั้นมองเลยสมมุติบรรยัตไปก็มองเลยเลยก็สมมติกันก็มาสมมุติเอาของไม่เที่ยงนี่ มาติดต่อสังคมกันนะอันนี้ผู้มีปัญญาเนะี่ยเพ่งพิจารณาดูแล้วไม่มีแกนสารอะไรเลยก็คลายความยึดความถือลงเมื่อมันรู้ชัดอย่างนี้นะมันก็ไม่ถือมั่นในกายอันนี้ว่าเป็นตัวตนเราเขาอะไรเลยก็ตั้งใจ ทำบุญทำกุศลทำความดีไปเรื่อยๆอบรมอินทรีย์แก่กล้าขึ้นไปพร้อมกันเลยเพราะเมื่ออินทรีย์ไม่แก่กล้าแล้วแม้จะพิจารณาเห็นขันห้านี่ทำเป็นจริงอย่างไรมันก็คนทุกข์ไปไม่ได้ขอให้เข้าใจเพราะบุญบา ร, รมีไม่ใช่ว่าทำวันนี้พรุ่งนี้แล้วมันจะเต็มเอาเลยทีเดียวเหมือนยังตกักน้ำใส่ไอใส่หก ใจองค์ใจหายอย่างนี้เนะี่ยมันมันอันนี้มันมันมีช่องว่างจำกัดตักไปตักไปหนึ่งหนึ่งมันก็เต็มได้ผมเต็มมันก็ล้นนะอันนี้ทันใดก็อย่างนั้นเนะี่ยเมื่อบุคคลผู้บำเพ็ญเพียรภาวนาไปไม่ทอ้อไม่ถอยเพ่งพิจรารณาไตรลักษ ให้บังเกิดขึ้นในใจบ่อยๆเข้าไปเพ่งพิจารณาให้เห็นว่าธรรมชาติที่มันมีเกิดขึ้นแล้วมันมีความแปรปรวนแตกดับไปธรรมชาติเหล่านั้นมันก็นับแต่ร่างกายเนี่ยออกไปหาสิ่งภายนอกนู่นอย่างนี้นะ เมื่อเราเพ่งพี่นาะเห็นตามเป็นจริงอยู่อย่างนี้จิตใจมันก็ไม่หวนไหวไปตามกระแสของโลกนั้นไม่ยอมตกเป็นท่าของตันหานตันหานั้นไม่ใช่ว่าละมันไม่ได้แบบนี้นั่นแหละบุคคลสามารถละได้กาแต่ขอให้เบื่อหน่ายมันก็แล้วกันขอให้เบื่อหน่ายก็แล้วกันแต่ถ้าไม่เบื่อหน่ายแล้ว อะไรอะไรก็ละมันไม่ได้เลยนี่ขอให้เข้าใจกันดังนั้นนะอะไรก็สู้ความเพียนเพ่งพินิษเข้ามาในจิตใจนี่ไม่ได้มาดูกายดูใจนี่ให้มันแจ่มแจ้งขึ้นด้วยปัญญาดูก็ดูให้เห็นในลักษณะสามอย่างว่านั่นเลยอย่าไปดูเฉย มันมีลักษณะสามประการประกอบอยู่ด้วยมันก็รูปก็ดีนามก็ดีนอกรูปนอกนามอันนี้ออกไปก็ดีมีความไม่เที่ยงเป็นลักษณะมีความทุกข์ทนยากลำบากเป็นลักษณะนี่มีความไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรเป็นลักษณะอยู่อย่างนั้นนี่เพราะฉะนั้นอย่าไปพิจารณาให้มันเห็นผิดไปจากความเป็นจริง ดังกล่าวมาขอยุดติลงเพียงเท่านี้